เราก็เยอะนะจะได้มีคนมาเอ่ยแทนเอช่วยๆเลยเกว่าไหอฮะไม้เก็บนะไม่ได้แจ้งเปล่าคหนูกำลังงงๆอยู่ค่ะเพราะว่าก็เพราะเราไม่รู้ไงฮะเราเลยไปคุกว่ามีเราไปไปยึดเป็นตัวเราค่ะเพราะเราไม่รู้ทําไงเราจะรู้ล่ะคะเทคนิคง่ายๆอะค่ะอ่ะถวนนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้พูดจบไปแล้วใช่ไหม รู้ได้ไหมเมื่อสักครู่ในพูดจบไปแล้วรู้ได้ไหมรู้แล้วค่ะแล้วตอนนี้หยุดพูดแล้วรู้ได้ไหมรู้ค่ะแล้วมันยากตรงไห น, นกํ <c oughs> าลังพูดอยู่รู้หยุดพูดแล้วก็รู้นี่คืออยู่กับปัจจุบันอย่างเนี้ยส่วนที่ที่เอาคําถามมาถามเมื่อกี้เนี่ยเราต้องคิดเพื่อให้รู้ใช่ไหมยากแต่ถ้าพูดอยู่รู้หยุดพูดแล้วรู้เนี่ยพบแล้วจบแล้ว ไม่ไม่รู้เข้าใจไม่พูดแบบง่ายที่สุดแล้วแบบนี้มันก็ง่ายค่ะ <c oughs> แต่บางทีมีโมโหปุ๊บ <c oughs> เห็นปุ๊บโมโหปับ๊บเอาแบบง่ายแบบยากอย่าเอาเอาที่เหตุทิงสิ่งที่เพิ่งเจอมันเนี่ยค่ะ<ไ>ออดีตใช่ไหมอดีตใช่ไหมออดีตผ่านไปแล้วไม่เกี่ยวปัจจุบันนี่ตอนนี้กําลังพูดหรือยืนถามเทคนิคค่ะจะถามเทคนิคในการออกจากการโมโหก็รู้โมโหก็รู้มันยังไม่มันเป็นคลื่นยังมัยังมีตะกอนอยู่เนี้ยค่ะวิธจิตรี ให้มันหายสนิทอย่างเงี้ยพอรู้ปุ๊บหมดปับ๊บไม่มีอารมณ์ขุนมัวตามานเงี้ยค่ะแต่วิธีการค่ะทำไงคะรู้ปัจจุบันรู้เดี๋ยวนี้เลยอย่าไปคํานึงถึงอนาคตว่าต่อไปจะทํายังไงต่อไปไม่ต้องเลยรู้ปัจจุบันถ้าเราหัดรู้อยู่กับปัจจุบันเป็นเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะอยู่กับปัจจุบันตลอดพอคิดถึงอนาคตปับ๊บอา้าวรู้แล้วหลุดไปละกลับมาอยู่ปัจจุบัน เพราะนั้นเมื่อกี้ที่ที่โยมถามเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราไปคิดเราก็ไม่เห็นความคิดที่ขณะกําลังคิดเนาะแล้วก็คิดถึงอนาคตว่าจะทํำยังไงเราก็ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับปัจจุบันเห็นเลยว่าไอ้มันกําลังคิดคิดจะจะถามคิดที่อยากจะรู้ก็อยู่กับปัจจุบันอย่างเนี้ยแล้อย่างตอนเนี้ที่ง่ายที่สุดเนี่ยโยมหยุดพูดแล้วเนี่ยง่ายเลยรู้แล้วปัจจุบันแล้วพอโยมจะคิดจะตั้งคําถามใหม่ปั๊บอ้าวเห็นแล้วความคิดผุดขึ้นก็ ไม่ไปไม่ไม่ไปกลับมาแค่รู้แล้วก็ก็หยุดอีกอยู่กับรู้แบบนี้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนี่ทางลัดแล้วที่ง่ายที่สุดแล้วนะ <laughs> หรือหรือลวงตาจะว่าจะง่ายกว่านี้มีอีกไหมค <laughs> รับไร่เข้าใจไม่เขใจเข้าใจคะ่ะเข้าใจคะ่ะ